พระไตรปิฎกเล่มที่สิบสองว่านปัจสูตรว่าด้วยการอยู่ป่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาทบินทิกเศรษฐีเหตุกรุงสาวัตถีณที่นั้นแหลพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมบรรยายว่าด้วยการอยู่ป่าแก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยปา่าทึบแห่งใดแห่งหนึง่งสติที่ยังไม่ปรากฏก็ไม่ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ไม่ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็ไม่สิ้นไปละภิกษุนั้นก็ไม่บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดํารงชีพคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะ และกีฬานปัจจัยเภสั์บริขารที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยญาติภิกษุนั้นควรหลีกไปจากป่าทึบนั้นไม่ควรอยู่ในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่งสติไม่ปรากฏจิตไม่ตั้งมั่นอาสวะยังไม่สิ้นไป และภิกษุนั้นไม่ได้บรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินเท่าบาทเสนาส น, นะและขีลานปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรพชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวร เพราะเหตุแห่งบินธบาศเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งกีฬานปั จ, จัยเภสัชบริฐานเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นรู้แล้วควรหลีบไปจากป่าทึบนั้นไม่ควรอยู่นหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏ จิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสุวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและภิกษุนั้นก็บรรลุธรรมอันเป็นแดงกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะและกิฬานปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรพชิตจาต้องนามาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยาก ภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะหรือเหตุแห่งกีฬานปัจจัยเภสัชบริขารเมื่อเป็นเช่นนั้นภิกษุนั้นควรอยู่ในป่าทึบนั้นไม่ควรหลีกไปอนหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้ เข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบแห่งใดแห่งหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยป่าทึบนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและภิกษุนั้นก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องกำงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาส น, นะ และขี้ลานปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรญัติิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากภิกษุนั้นควรอยู่ในป่าทึบนั้นจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปสรุปเมื่อภิกษุอยู่ป่าที่อยู่แล้วจิตไม่ตั้งมัน่นไม่บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุปัจใจสี่จะหายากหรือหาง่ายก็ไม่ควรอยู่ แต่ถ้าป่านั้นทำให้จิตตั้งมั่นบรรลุธรรมแม้ปัจจัยสี่หายากป่านั้นก็ยังควรอยู่ข้อนี้ถ้าเจอที่สัปปายะกว่าก็สามารถย้ายไปได้หรือถ้าป่านั้นทำให้จิตตั้งมั่นบรรลุธรรมและปัจจัยสี่หายได้ง่ายก็ควรอยู่ป่านั้นตลอดชีวิต ผลการอยู hora, ่อาศัยบ uh. ้านเป็นต้นภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยบ้านแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยในนิกคมแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยนครแห่งใดแห่งหนึ่งเข้าไปอยู่อาศัยชนบทแห่งใดแห่งหนึ่งหรือเข้าไปอยู่อาศัยหรือติดตามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง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 ที่บันประชิตจำต้องนำมาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากภิกษุนั้นไม่ต้องบอกลาควรหลีกไปในเวลากลางคืนหรือในเวลากลางวันไม่ควรอยู่ที่นั้นไม่ควรติดตามบุคคล น, นั้นเลยหากภิกษุอาศัยในบ้านขามนิคมหรือบุคคลใดแม้ปัจจัยสีหาได้ง่ายแต่ไม่ทําให้จิตตั้งมั่น บรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุภิษุควรพิจารณาว่าเราไม่ได้บวชมาเพื่อปัจจัยสี่นั้นภิกษุนั้นควรบอกลาก่อนแล้วจึงไปไม่ควรอยู่อาศัยที่นั้นหรือติดตามบุคคลนั้นเลยภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยในบ้านคามนิคมหรืออาศัยหรือติดตามบุคคลใดบุคคลหนึ่ง สติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปและภิกษุนั้นก็บรรลุธรรมอันเป็นแดนกเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุส่วนปัจจัยเครื่องํารงชีวิตคือจีวรบิณฑบาตเสนาส น, นะและขีฬานปัจจัยเภสัตชบริขารที่บรรพชิตจําต้องนํามาใช้สอย ย่อมเกิดขึ้นได้โดยยากภิกษุนั้นควรพิจารณาอย่างนี้ว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตเพราะเหตุแห่งจีวรบินทบาทเสียนาสนะหรือขีลานปัจจัยเภสัชบริขารภิกษุนั้นถึงแม้จะรู้แล้วก็ควรอยู่อาศัยที่นั่นหรือติดตามบุคคล น, นั้นยังไม่ควรหลีกไป ภิกษุในธรรมวินัยนี้เข้าไปอยู่อาศัยที่ใดหรือติดตามบุคคลใดบุคคลหนึ่งเมื่อเธอเข้าไปอยู่อาศัยหรือติดตามบุคคลนั้นสติที่ยังไม่ปรากฏก็ปรากฏจิตที่ยังไม่ตั้งมั่นก็ตั้งมั่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นไปก็สิ้นไปละภิกษุนั้นย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้บรรลุ ส่วนปัจจัยเครื่องดำรงชีวิตคือจีวรบินธบาตเสนาสนะและขีลานาปัจจัยเภสัชบริขารที่บรรพชิตจำต้องนามาใช้สอยย่อมเกิดขึ้นได้โดยไม่ยากภิกษุนั้นควรอยู่ที่นั่นหรือติดตามบุคคล น, นั้นไปจนตลอดชีวิตไม่ควรหลีกไปแม้จะถูกขับไล่ก็ตามสรุปอยู่ที่ใด จิตตั้งมั่นบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุแม้ปัจจัยสี่หายากหรือหาง่ายก็ไม่ควรอยู่หรือไม่ควรติดตามทั้งนั้นหากอยู่หรือติดตามใครแล้วจิตตั้งมั่นบรรลุธรรมที่ยังไม่ได้บรรลุถ้าปัจจัยสี่หายากให้อยู่ไปก่อนมีโอกาสสมควรค่อยย้ายแต่ถ้าปัจจัยสี่หาง่ายและส่งเสริมการบรรลุธรรมให้อยู่หรือติดตามไปตลอดชีวิต แม้จะโดนไล่ก็ตามจบวนปัตตสูตรจากพระไตรปิฎกเล่มที่สิบสอง